โทรศัพท์สาธารณะเดี๋ยวนี้ก็แทบจะหาไม่ได้นะต่อไปโทรศัพท์บ้านก็คงจะศูนพันไปด้วยนะแม้แต่รถเนี่ยนะรถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนี่ยไม่แน่นะอีก2ี่ปีเนี่ยจะหายไปจากท้องถนนเหมือนกันตอนนี้ในประเทศยุโรปหลายประเทศเนี่ย เ, เขามีแผนเลยนะว่าภายใน10ปีเนี่ยบางแห่งก็8ปปีนะจะ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 ก็เห็นรถเขาจอดเรียงเป็นแถวแล้วก็มีสายไปเชื่อมติดอยู่กับเสาถามเขาว่าอะไรก็บอกเป็นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยเขาชาร์จเอาไว้เดรนนี้มันจเจริญมากนะแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่รถไฟฟ้านี่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนรถเนี่ยเป็นพันกิโลได้นะ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 ไปแทงไปเล่นการพนันแทงมาอะไรอย่างีนะ้แต่ที่เขาวิจัยพบว่าออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคนก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อเครื่องมือทำมาหากินอาจจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ก็เอามาใช้ในการทำอาชีพนะบางทีก็ทำให้เขามีอาหารกินเพิ่มขึ้นมีเงินซื้ออาหารให้ลูกมากขึ้น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 แต่ว่าทุกใจเนี่ยไม่เคยน้อยลงเลยความโศกความรล่อาไ ร, รํำพันทุกโทมนานัดความคับแค้นใจรวมถึงความเจ็บความป่วยความแก่ความพัดพลาคสูญเสียและความตายก็ยังเติบยังต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนและคนทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าคนไม่มีธรรมะ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 นะจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะให้กับ netflix บัางให้กับที่นั่นที่นี่บ้างนะตอนนี้ก็มีบ้างลวนะเดือนละ300ก็ดูหนังได้24ชั่วโมงเรื่องไหนก็ได้ซีรีส์ไหนก็ได้ก็เคยมีคนถาม CEO ของ netflix นะซึ่งเป็นผู้จัดจัดหาหนังหนังทุกประเภททุกประเทศด้วยนะ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 ไม่มีเวลาภาวนามันติดในความสนุกสนานน่าติดตามเพราะที่นี้หนังนี่เขาทำให้มันน่าติดตามแม้จะหนังแม้หนังจะเป็นมีตอนละชั่วโมงชั่วโมงแต่ดูจบแล้วก็อยากจะดูต่อบางคนก็ติดนะติดสามกกนี่50ตอน100ตอนมีบางคนดูตลอดเลยนะดูติดติดกันเลยนะทั้งวัน24ชั่วโมง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 หรือเห็นเรื่องราวงใครบางคนนะที่ไม่ถูกใจเราเราก็เขียนด่านะพิมพ์ข้อความลงไปเดี๋ยวนี้พิมพ์ข้อความานะต่อไปไม่ต้องพิมพ์แล้วละ่ะพูดทางพูดใส่โทรศัพท์เลยโทรศัพท์มันพิมพ์ขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมนี้แล้ะไม่ต้องพิมพ์พูดไปเลยแล้วมันมันจะเปลี่ยนเป็นข้อความถ้าพูดดีก็ดีไปแต่ถ้าไปด่าเขาเนี่ยนะ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 มีคนก็ไม่พอใจเนี่ยอันนี้ก็เราก็เห็นอยู่นะนั่นสมัยนี้เนี่ยมีสติจำเป็นต้องมีสติมากนะในการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอัตมาเรียกว่าเป็นอันตรายที่ปลายนิ้วนะเพราะว่าถ้าพิมพ์อะไรไม่ไม่ซูมสี่ซูมห้าเนี่ยเดือดร้อนนะบางทีเสียอนาคตเลยแล้วพวกนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ มันไม่ได้แค่เดือดร้อนวัน2วันนะบางทีมันมันเก็บสะสมเป็นปีปีวันนี้พิมพ์ไปอาจจะไม่มีคนสนใจเพราะว่ายังไม่ดังแต่พอผ่านไป10ปีพอดังขึ้นมาหรือพอเริ่มจะไปทำงานนะเขาก็จะสืบประวัตินะก็จะค้นนะว่าเราเคยเรามีทัศนคติอย่างไรมีความคิดอย่างไรพิมพข้อความอะไรที่มันน่ารังเกียจไหม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 ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่คนทำใจไม่ได้เขาก็ด่ายังมีดาราดาราอิตาลีคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงเนี่ยพูดทำนองสนับสนุนรักร่วมเพศนะบอกว่าคนรุมดา่าคนอิตาลีเธอนี่เสียผู้เสียคนสุดท้ายค่าตัวตายเครียดมากอันนี้เลยเป็นอันตรายที่ปลายนิ้วนะซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีสติ